นิพพานของพุทธต้องมีตานอกเป็นองค์ประกอบประเด็นที่หนึ่งผู้มิจฉาทิฐิคือผู้เข้าใจผิดไปว่าในความเป็นนิพพานในปัจจุบันทิฏฐธรรมนิพพานเพียงแต่การรู้ได้ด้วยการกำหนดรู้สัญญาอยู่ในพาวางังในพบภายในขณะนั้นเท่านั้น ซึ่งการกำหนดรู้แค่ใช้สัญญานี้ก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันนะปัจจุบันแบบนี้นั้นมันก็ใช่ปัจจุบันอยู่หรอกแต่เป็นปัจจุบันที่มีองค์ประกอบไม่ครบครันยืนยันไม่ได้ว่าที่ผู้เอาแต่รู้ได้ด้วยสัญญาภายในของตนคนเดียวนั้นมันเป็นแค่ฝันเอาหรือระลึกเอาจากอดีตมารู้ ไม่มีใครเห็นด้วยหรือเป็นแค่อนาคตที่ฝันเพ้อขึ้นมาใหม่มันยืนยันความจริงไม่ได้เห็นไหมมันจึงต้องมีตานอกที่สัมผัสภายนอกด้วยซึ่งยืนยันกันได้ต้องๆจึงต้องพ้นภาวะอดีตหรืออนาคตเป็นภาวะปัจจุบันเท่านั้น นิพพานในศาสนาพุทธต้องเป็นความจริงกันปาณนนิชย์ดังนั้นการหลับตาเข้าไปเห็นสวรรค์นรกเห็นสัตว์เห็นคนนั้นคนนี้ก็ดีเห็นสารพัดใดๆก็ดีล้วนเป็นภาวะที่เห็นอย่างลึกลับยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นความจริงกันแท้ที่เป็นเอหิปัสสิโก กล่าวคือผู้อื่นก็สามารถร่วมรู้ได้ด้วยเมื่อมีเหตุปัจจัยเพียงพอแต่นี่ตนเองเห็นอยู่คนเดียวลึกลับตนก็หลับตาเห็นอีกด้วยไม่มีภายนอกส่วนใดยืนยันอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรให้คนอื่นร่วมรู้ได้แม้ผู้ปฏิบัตินั้นจะเชื่อว่าโซนบันลุ นิโรธหรือนิพานอันหมายถึงความดับก็ตามก็เป็นนิพพานเกกันเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้เชื่อกันอย่างนี้มีแต่นิพพานเกแบบนี้กันเพราะไปบรรลุนิพพานกันอยู่แต่ในภาวะที่ไม่มีองค์ประกอบตานอกของตนซึ่งคนอื่นจะยืนยัน จากเหตุปัจจัยที่เป็นภาวะไม่มีภายนอกยืนอยานั้นมันก็ไม่มีภาวะใดเชื่อมกับคนอื่นร่วมรู้ได้เลยอย่างน้อยมันต้องมีภายนอกที่ร่วมสัมผัสกันพอรู้พอเห็นบ้าง